ได้บุญมากพอไหมธรรมกถาเมื่อวันอาสาฬหบูชาวันที่21รกรกฎาคมพุทธศักราช2548ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาที่ ญาติโยมได้มีจิตศรัทธามาทำบุญร่วมกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาและการมาทำบุญในวันนี้ถือว่ามาทำบุญวันเดียวสองรายการพร้อมกันคือทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญวันข้าวพรรษา การทำบุญสองวันนี้ติดต่อกันจนบางท่านแยกไม่ออกอย่างพิธีในวันนี้ก็ทําต่อเนื่องกันในวันเดียวกันและเป็นพิธีเหมือนกับพิธีเดียวกันแต่ว่าที่จริงเป็นการทำบุญเนื่องในวันสําคัญสองอย่างและยังกลับกันด้วยคือที่จริงนั้นวันาสาลแลบูชา ขึ้นสิบห้าคำคือวันนี้ก็มา ก, ก่อนพรุ่งนี้จึงจะถึงวันแรมหนึ่งคำเดือนแปดวันข้าพรรษาแต่เวลาเราทำบุญพิธีเมื่อกี้จะเห็นว่าญาติโยมได้ถวายเทียนพรรษาและภาพน้ำฝนก่อนแล้วต่อจากนี้จึงจะเป็นพิธี เนื่องในอาสารละบูชาคือการที่จะเวียนเทียนก็หมายความว่าเราทำพิธีถวายเทียนพรรษาก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษาแล้วก็ภาพน้ำฝนก็เป็นเรื่องของการถวายภาแก่พระที่จะจำพรรษาใช้ในฤ ด, ดูฝนเป็นเรื่องของการทำบุญในวันเข้าพรรษาเนี่ยเราทาเสร็จก่อนแล้วต่อจากนี้ไป เราก็จะประกอบพิธีเวียนเทียนก็คือการทำบุญในวันอาสาฬบูชาเรากลับซะ ก, ก่อนกลับเอาวันข้าวพรรษาก่อนทำบุญข้าวพรรษาเสร็จแล้วก็ทำบุญอาสาฬบูชาที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อความสะดวกเพราะว่าเวียนเทียนน่ก็ควรจะเป็นรายการสุดท้ายก็เลยเอาเวียนเทียนอาสาฬบูชาไปอยู่ เป็นปิดรายการไปแต่ว่ายัางไงก็ตามรวมแล้วก็คือว่าโยมมาทำบุญครั้งเดียวนี้ได้สองอย่างเลยได้บุญทวีคูณก็ข อ, อนนโมธนาที่โยมได้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสมาทำบุญกันและโยมทุกท่านนี่ที่มาการเป็นกลุ่มเป็นคณะก็เยอะอย่างที่ มากันมั่นคงเสมอก็โรงเรียนทั้งสมมีโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนหนูน้อยโรงเรียนทอสีก็มาประจําสม่บบเสมอแม่แตมาบางครั้งไม่ได้ลงมาก็ได้ทราบประมาคําว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นสื่อบอกถึงเด็กและเยาวชนของชาตินั้นถ้าโรงเรียนยังมั่นในเรื่อง ศาสนาเรื่องธรรมะอยู่ก็ทำให้เราอุ่นใจว่าเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยยังเดินอยู่ในทิศทางที่ทำให้สบายใจเป็นทางแห่งกุศลความเจริญงอกงามที่แท้จริงนอกจากนี้ก็อาจจะมีโรงเรียนอนุบาลเด็ดลา ด, ด้วยเพราะว่าพอดีว่าลูกชายมาบวชอยู่จำรรษานี้ แล้วก็ที่เป็นเจ้าประจําเสมอก็ได้ยินเสียงโฆดศกตั้งแต่ก่อนลงมาก็คือพลจีทองขาวเป็นเครื่องหมายของธรรมะร่วมสมัยซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ยินแล้วเพราะว่าอยู่แถวนี้นั่นวิทยุอื่นกรบหมดไม่ได้ยินมาหลายเดือนแล้วธรรมะร่วมสมัยแต่ว่ามาพบกันก็อนโมธนาที่ยังได้มาร่วมทำบุญฟังธรรม มาร่วมส่งเสริมกิจกรรมในทางพุทศาสนาแล้วก็โยม ท, ที่มาเป็นส่วนตัวแต่ละท่านมีมากันทั้งครอบครัวก็มีมาทำบุญกันในครอบครัวนีก็เป็นเรื่องที่ดีน่าอนุโมทนาอย่างมากก็เป็นการช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้ใกล้ชิดพระศาสนาได้คุ้นกับกิจกรรมทางธรรมะม า, มาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นก็จะได้เจริญอยู่ในเรื่องกุศล ก็เราก็หวังก็อย่างนั้นนิยมมาในที่จริงก็ได้บุญได้กุศลตลอดละเพียงแค่ใจเราสบายสงบใจเรามีความปรารถนาดีต่อพระศาสนาให้ความสามัคคีพร้อมเพียงกันก็เท่ากับ ว, ว่ามาช่วยกันส่งเสริมพระศาสนาอยู่แหลวก็เป็นบุญอยู่ในตัวหรือใจเราเองนั่นแหละมีความสงบเบิกบานผ่องใสก็เป็นบุญเป็นกุศล น, นี่ก็เป็นเรื่องมนโนกรรม แล้วส่วนกายกรรมวจีกรรมก็แสดงออกมาต่อเนื่องจากมนโนกรรมนั่นเองพอใจดีใจสบายพูดอะไรต่างๆก็พลอยดีไปด้วยพูดจาชักชวนกันในทางที่ดีที่ท่านบอกว่าเป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาจริงวาจาสุภาพวาจาไพเราะวาจาพอเหมาะพอดีวาจาสมานสามัคคีนี่เรียกว่าวาจาที่ดีงามเป็นสุจริต แล้วก็เป็นสัมม า, ว, า, จาวจา้าแสดงออกมาทางกายก็มาช่วยการขนขวายจัดเตรียมการต่างๆแล้วทำการทุกอย่างตลอดจนกระทั้งถวายทานที่ทำไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าบุญกุศลทั้งสิ้นและวยังงท้ายก็ได้เวียนเทียนแล้วก่อนเวียนเทียนก็คือตอนนี้แหละก็มาฟังธรรมะกันพอได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ทำบุญครบครบยังไงก็ คือมีทั้งทานทั้งศีนทั้งภาวนาทานก็ถวายทานกันไปแล้วเทียนบรรษาภาพน้ำฝนบางท่านก็ถวายมาตั้งแต่เช้าตักบาตรเรียงพระแล้วก็มารับศีลโดยทาเป็นพิธีบ้างหรือแม้ไม่ทำพิธีวันนี้ก็รักษากายวาจาสุจริตก็อยู่ในศีลนั่นเองภาวนาก็ตอนนี้คือมาฟังธรรม จะเลียนปัญญาแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ที่ใจนั่นแหละใจที่สบายสงบเบิกบานพองใสก็เป็นภาวนาเป็นจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาได้หมดเพราะนั้นเราก็เรียกรวมว่าทำบุญเพราะว่าเราไม่ได้มาทำทานอย่างเดียวไม่ได้มาถวายของอย่างเดียวเราได้หมดทานศีลภาวนาทำไมไปวัดแล้วบอกทำบุญก็เพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าทำทานมันก็ไม่ครอบคลุม ถ้าเรามาวัดนี่เราได้หมดนี่ทานเราก็ได้เป็นเรียงตัวปลารบว่าเราจะมาถวายทานถวายภาพน้นําผลถวายเตียนบรนสาแต่ว่าเราได้ศีลด้วยแล้วเราได้ภาวนาด้วยจิตใจเราก็ดีงามแล้วก็ปัญญาความรูม้ความเข้าใจเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าไปทําบุญเพราะได้หมดครบทั้งสามอย่างอันนี้ก็เป็นข้อเตือนเราทุกคนเลยนะว่าเราจะต้องทําให้ได้อย่างเนี้ยให้ครบทั้งสาอย่างจึงเรียกว่าทําบุญ อ น, นเวลานี้การทําบุญก็เป็นเรื่องที่โยมก็ต้องการให้ได้บุญมากๆแล้วมาสอดคล้องกับเรื่องของการทําบุญอาสาระบูชาก็จะต้องเข้าใจความหมายของอาสาระบูชาอีกวันนี้เวลาเราก็น้อยถ้าพูดทั้งสองเรื่องนี้ก็ยาวเหลือเกินคือทั้งเรื่องข้าพรรษาทั้งเรื่องอาสาระบูชาแต่ถ้าเราเราสามารถพูดสองเรื่องนี้ให้มาโยงไปอันเดียวกันซะเลยเพราะว่า การที่โยมทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญถูกทางหรือทำบุญถูกต้องเนี่ยมันก็เข้าสู่หลักการที่เรียกว่าทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาหรือมักมีองค์8ดนะเป็นหลักธรรมของอาสาลบุูชาอาสาลบุูชาคืออะไรญาติโยมตั้งแต่เด็กก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน8เพื่อระลึกถึง การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศเทศครั้งแรกเทศครั้งแร ก, กเรื่องอะไรก็บอกว่าเทศเรื่องทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาหรือว่ามรติองแปดและอริยสัจสก็พูดง่ายๆก็ทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอาสารบูชาปฐมเทศนาแล้วมาวันนี้เรามาทําบุญกันนี่ เรามาถวายเทียนรพรรษาภาพน้ําฝนแล้วก็ทำบุญเทียนพรรษาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าทําถูกต้องเราก็ต้องทําให้เข้ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าทําแล้วทําบุญแล้วไม่เข้ามัชฌิมาปฏิปทาก็แสดงว่าเรายังไม่ก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องประสานให้ได้วันนี้ก็เลยคิดว่าโยมน่าจะต้องมาคิดพิจารณาให้ดีว่าที่เราทําบุญกันเนี่ย เราทําบุญเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาหรือเปล่าขอแทรกนิดหนึ่งว่าเวลาเนี้ยมีความนิยมเกิดขึ้นอามภาพได้ยินมาในระยะสามสี่ปีเนี้ยมีความนิยมเช่นว่าไปถวายเทียนบรรษาให้ได้ก้าวัดแล้วก็ทำอะไรอะไรทำบุญให้ได้ก้าวัดเนี้ยกได้ยินมาสามสี่ปีนี้เป็นวิธีทาบุญที่ค่อนข้างใหม่ ทีนี้เรื่องใหม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใหม่ดีก็มีใหม่ไม่ดีก็มีแล้วจะวินิจฉัยอย่างไรว่าดีหรือไม่ดีใหม่ในการทําบุญแบบว่าไปถวายเทียนให้ได้ก้าวัดถ้ามองง่ายๆก็ดีนะเพราะว่าได้ถวายเยอะยิ่งถวายเยอะทําทานเยอะก็ยิ่งดีสิก็ยิ่งได้บุญมากแล้วก็ได้ไปช่วยอุปถัมภ์บำรุงหลายวัดก็น่าจะได้บุญมาก และนอกจากนั้นก็อาจจะได้เพิ่มรถในการทำบุญเพราะว่าโยมได้ไปหลายวัดได้เที่ยวได้อะไรต่างๆได้ไปเป็นคณะสนุกสนานไปในตัวก็ดีเหมือนกันมองในแง่นี้ก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ครบเหมือนกันว่าพร้อมกับที่ดีนะมีแง่เสียไหมบางทีได้ส่วนดีใช่ว่า ถ้าได้เก้าหน่วยแล้วเสียเก้าพันนี้จะไม่คุ้มนะพนั้นก็ต้องมาพิจรารณาว่าที่เราทำบุญอย่างที่ว่าไปถวายเทียนบัรสรารเก้าวัดเนี่ยดีหรือไม่ดีแค่ไหนมาวิเคราะห์กันอันนี้ก็พูดกันด้วยความหวังดีแล้วอะไรใช้หลักอะไรวินิจฉัยหลักการง่ายๆท่านบอกว่าทำอะไรแล้วกุศลเพิ่มอกุศลลดนั่นดีทาอะไรอกุศล เพิ่มกุศลลดไม่ดีโยมก็บอกอา้าวก็ทําบุญหลายวัดเทียนพรรษาตั้งก้าวต้นก้าวัดนี่ก็ยิ่งดีทําบุญมากกุศลก็น่าจะมากก็ยิ่งดีก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ในแง่นี้ก็ดีอยู่แต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูให้ครบมันมีแง่อื่นใช่ว่าบางทีมันก็มีเรื่องการถือโชคลาภคำประปนด้วยมีเรื่องศัยศาสตร์คำประปนด้วย พออย่างนี้มันแท็กแต่ขวน็นนิดๆแหละและนอกจากนั้นก็คือเราก็ต้องดูเราทําบุญมากๆเรานึกว่าเออเราจะได้บุญมากนะคําว่าได้บุญนี่แหละเป็นคําที่น่าวิเคราะห์ขอให้โยมสังเกตนะคําว่าได้บุญในคนไทยชอบพูดแต่ในภาษาพระหรือภาษาบาลีภาษาในคัมภีร์เนี่ยท่านไม่นิยมถ้าไปดูในคัมภีร์เนี่ยแทบจะไม่พบเลยคําว่าได้บุญ แทบไม่มีใช้เลยแล้วท่านใช้คำอะไรคำที่ใช้มากก็ให้เกิดบุญเพิ่มพูนบุญบุญเจริญงองงามจะพบคำว่าบุญยังประวัติติประวัติติก็แปลว่าเจริญเพิ่มพูนหรือ วัฒนติก็คือที่มาของคำว่าพัฒนานั่นเองถ้าแปลเป็นแบบภาษาไทยสมัยปัจจุบันก็คือบุญพัฒนาขึ้นไปนี่คือคำนิยมในภาษาพระท่านไม่นิยมคำว่าได้บุญทีนี้การที่จะได้บุญเนี่ยมันมีแง่พิจารณาที่โยงไปหาเรื่องอื่นขอให้ดูกันสองอย่างโยงอยากได้บุญมากอันนี้ก็ดีแล้วแหละนี่มาดูว่าจะได้บุญมากยังไงอา้าวจะได้บุญมากึ้นมานเฉยๆยังไงก็ต้องทาบุญ นี้โยมก็บอกว่าทําบุญมากก็ได้บุญมากเอ๊ะไม่แน่นะทําบุญมากได้บุญมากถ้าทําบุญนี่บางทีอาจจะเป็นอาการหรือรูปแบบภายนอกที่บอกไปทําพิธีเป็นทําบุญพอไปทําพิธีเป็นรูปแบบภายนอกเราก็เรียกว่าทําบุญแหละแต่ทีนี้ว่าการที่ทําบุญแล้วมันจะได้บุญเนี่ยมันต้องผ่านอันหนึ่งนะคือเป็นบุญก่อนถ้าทําบุญแล้วไม่เป็นบุญแล้วมันก็ไม่ได้บุญนะ อาจจะทําบุญได้บุญเผยผิวเผินเป็นบุญก็เช่นว่าใจเป็นบุญเจตนาเป็นบุญถ้าใจไม่เป็นบุญเจตนาไม่เป็นบุญมันก็ทำแต่รูปแบบผิวเผินข้างนอกบุญนั้นก็ไม่ได้มากหรอกนี้ถ้าวิเคราะห์เราไปในที่เป็นบุญจะมีอะไรบ้างถ้าเราแยกไปมันนอกจากใจแล้วมันมีกายกับว่าจ่าเขเราเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ต้องให้กายกรรมเป็นบุญวจีกรรมเป็นบุญมโนกรรมเป็นบุญ แล้วเราทำนะ่ะมันเป็นบุญไหมเป็นบุญแค่ไหนเวลาทําจิตใจเราเป็นยังไงการกระทําทางกายของเราเป็นยังไงการกระทำคำวาจาของเราเป็นยังไงนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือวิเคราะห์ไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้วิเคราะห์อีกหลักหนึ่งก็คือจะให้เข้ากับหลักของอาสาลภูชาที่ว่ามัชิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคมีองค์8ประการ มีสมมติทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยแดข้อนี่วิธีสลับญาติโยมจะได้วิเคราะห์พิจารณาง่ายๆก็คือมาจัดมักมีองค์แปดเนี่ยรวมเป็นสามอย่างซะรวมเป็นสามอย่างแล้วได้อะไรละ่ะคือเวลาจัดเป็นสามอย่างแล้วมันจะง่ายขึ้นพอบอกว่าแดนี่เยอะเหลือเกินวิเคราะห์ยากก็ามาจัดซะเป็นสามพอบอกว่ามาจัดมักมีองค์แปดเนี่ยเป็นสามข้อได้อะไรบ้างโยมลองคิดดู ก็ได้ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมนี่ง่ายขึ้นแล้วก็มาดูศีลสมาธิปัญญาว่าเวลาเราบอกว่าทําบุญเนี่ยศีลเป็นไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงแล้วดูที่นี่แหละเราจะรู้เลยว่าเป็นบุญไหมเป็นบุญแค่ไหนแล้วบุญเจริญเพิ่มพูนหรือเปล่าอ้าวนิยมที่ทําบุญแบบเช่นว่าไปถวายเทียนวัรษาเก้าวัดเนี่ย บางทีเวลาไปทำบุญเนี่ยดูที่ศีล ท, ทางกายวาจาเพราะเหตุที่ว่าจะไปให้ทนันก้าวัิบางทีก็รีบร้อนกายก็เริ่มรีบแลละ บางทีกลัวไม่ทันก็ชักจ ะ, สะแสดงอาการออกมาแล้วนี่แล้วก็ทางวาจาบางทีก็เลยชักจะไม่ค่อยเพลอร่อแล้วชักจะเร่งกันว่าอะไรแต่ อ, อะไรเออไปกันใหญ่ที่หมู่คณะบางคนช้าพวักพวงอยู่คนอื่นก็ชักจะใจไม่ดีเนะใจก็เร่งร้อนชักหุดหงิ ด, งดชักกระสับกระสายเอตอนนี้มาดูศีลก็ชักจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์และ มาดูสมาธิจิตใจแทนที่ว่าทำบุญแล้วจิตใจจดสงบเบิกบานผ่องใสมีปิติมีความสุขมีความปราบปลื่มใจใจมันไม่อยู่และใจมันจะเร่งมันจะร้อนมันจะไปวัดโน้นทันหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่าใจไม่ดีมันไม่มีสมาธิแล้วใจก็ไม่เป็นกุศลเท่าที่ควรแล้วก็ใจแทนที่จะมีเมตตานึกถึงพระสงฆ์ นึกถึงพระศาสนาปรารถนาดีต่อพระสงฆ์ว่าโอพระสงฆ์ท่านได้รับเทียนบรรษาได้รับทานของเราไปแล้วท่านจะได้มีกําลังทําศาสนากิจสืบต่อยุพระศาสนาได้พระศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองใจแทนที่จะได้นึกคิดในเรื่องที่มีความปรารถนาดีเป็นเมตตาเป็นต้นก็เลยไม่มีไม่มีเวลาแม้แต่จะนึกจะคิด และแน่ด้านปัญญาก็อย่างที่ว่าล่ะถ้าทำบุญด้วยปัญญาเนี่ยเราจะนึกไปได้ไกลเลยว่าการทําบุญของเราเนี่ยมีความหมายนะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีกําลังปฏิบัติาศาสนาขิจพระท่านทำศาสนกิจแล้วน่าก็ช่วยสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนอยู่กันดีมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมของเราจะได้ ไม่มีทุกข์ไม่มีภัยปัญหาอาจาาัจฉรกรรมอบายมุขอะไรจะได้น้อยลงไปอะไรต่างๆแล้วเนี้ยปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ได้นึกเลยนึกแต่ว่าจะไปจะไปจะไปก็เลยทําให้เรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยมันลดหายไปลงวิเคราะห์ในสีสมาธิปัญญาเราก็จะเห็นเลยวันเนี่ยมันชักจะบกพร่องแล้วเพราะนั้นโยมจะทําบุญเนี่ยการที่จะให้ได้บุญมากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนปริมาณนะมันอยู่ที่นี่แหละ อยู่ที่มันเป็นบุญแค่ไหนเป็นบุญแค่ไหนจะวิเคราะห์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ได้หรือเอาวิธีที่ดีสูงขึ้นไปก็เอาสีสมาธิปัญญานี่แหละดูว่ากายวา จ, จาของเราเป็นยังไงแล้วก็สมาธิด้านจิตใจของเราเป็นยังไงสงบเบิกบานผ่องใสมีปิติมีความปลื้มใจมีความสุขไหมแล้วมีคุณธรรมมีความปรารถนาดีมีศรัทธาอะไร ต, ต, ตร่างๆพรั่งพร้อม ไหมแล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลประโยชน์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมแก่พระศ า, าสนาหรือไม่อย่างนี้แหละบางทีบุญที่ทำอันเดียวน่ะแม้แต่ทำน้อยถ้าเขาเจตนาเขาดีเราจึงเห็นได้ในพระคำภีในประวัติสพระศาสนาเนี่ยบางคนทำบุญนิดเดียวอ่ะปรากฏว่าได้บุญมหาศาเลเลยใช่ไหมก็เพราะว่า มันเกิดเป็นบุญคือมันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะทาบุญแล้วข้ามไปได้บุญเนี่ยอย่าเพิ่งทําบุญแล้วต้องเป็นบุญก่อนแล้วเป็นบุญแล้วจึงจะมาได้บุญนั่นเอาและอันนี้ก็แง่หนึ่งโยมจะให้ได้บุญมากเนี่ยโยมก็จะต้องทําให้เป็นบุญให้มากเป็นบุญทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาอันนี้ก็แง่หนึ่งต่อไปอีกแง่หนึ่งก็อย่างที่ว่าเชื่อมกับเมื่อกี้ก็คือบอกว่าได้บุญเนี่ย มันไม่บอกถึงความก้าวหนะ้ามันเป็นเรื่องของปริมาณได้จํานวนปริมาณแต่ว่าเราอาจจะอยู่ที่เดิมเฉวว่าได้บุญประเภทเดียวกันก็อยู่แค่นั้นนะได้ทานก็ได้ทานอยู่นั่นแหละไม่ก้าวไปอันี้วันนี้เราบอกว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาอาสาฬบูชาเป็นวันปฐมเทศนาเป็นวันแสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคในองค์แปดประการมรคคือทางนะ เมื่อมักคือทางก็แสดงว่าต้องก้าวไปสิใช่ไหมทางมันต้องเดินหน้าก้าวไปเส้นใจสิกขาก็เหมือนกันก็คือฝึกศึกษาพัฒนาให้ก้าวไปในมักนี่แหละทีนี้ถ้าเราไม่ก้าวไปเราได้อยู่แค่เดิมถึงได้มากปริมาณมากมันก็ไม่ได้เดินไปในมักเพราะฉะนั้นเราจะให้ก้าวไปในมักให้มาถึงวันอาสาแลบูชาแท้เนี่ยเราต้องก้าวไปในมักได้ด้วยในการทำบุญของเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่ได้บุญ แล้วก็ไม่ชัดว่าก้าวไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําของท่านแล้วท่านจึงบอกว่าบุญเพิ่มพูนบุญพัฒนาอักขางบุญยังประวัทตทติในอย่างที่ว่าเมื่อกี้ท่านไม่นิยมใช้คําว่าได้บุญเพราะฉะนั้นโยมอาจจะลองนึกดูว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนสติไม่ให้ต่อไปนี้แทนที่จะพูดว่าได้บุญเนี่ยก็หมายความว่าใช้คําของท่านเช่นคําว่าก่อให้เกิดบุญหรือเพิ่มพูนบุญ เลือบุญเจริญเพิ่มพูนก็แล้วแต่ก็ได้การทําบุญเนี่ยให้มาประสานกับการที่บุญเจริญเพิ่มพูนแล้วบุญนั้นก็เจริญก้าวไปคือเจริญก้าวหน้าจากขั้นต้นๆเนี่ก้าวไปสู่ขั้นสูงเหมือนอย่างหลักปกติเราก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ติดอยู่แค่ทานอย่างเดียวแม้แต่โยมมาทําทานเนี่ยโยมก็ย่าลืมนะจะเรียกว่าทําบุญแท้ก็ต้องให้ได้ครบใช่ไหมต้องได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยมิฉะนั้นเราจะ เรียกไม่เต็มปากเลยถ้าโยมไปแล้วได้ทําทานอย่างเดียวเนี่ยโยมจะบอกว่าฉันไปทําบุญเนี่เรียกไม่เต็มปากธรรมมาเคยย้ําบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยมีการไปพูดกันบอกว่าถ้าให้แก่คนขอทานเป็นต้นเรียกว่าทําทานถ้าถวายแก่พระเรียกว่าทําบุญอันนี้เป็นความเข้าใจเคลื่อนคลาดไปคิดเอาเองความจริงคือคําว่าบุญเนี่ยเป็นคําที่คลุมทั้งทานศีลภาวนาทีนี้เราไปวัดแล้วเราไปถวายแก่พระเนี่ย เราได้หมดได้ทั้งทานทั้งศีลภาวนาเพราะฉะนั้นแม้เราจะตั้งต้นด้วยทานอย่างเดียวก็จริงแต่เราไม่ได้จํากัดอยู่แค่ท า, านเราไปได้ศีลภาวนามาด้วยเราก็เลยพูดแค่ทําทานไม่ได้เพราะมันไม่ครอบคลุมเราจึงต้องพูดว่าไปทําบุญมาแล้วก็โยมก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าเออเราไปแล้วได้บุญมาครบไหมได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วถ้าขยายให้ดีก็ต้องได้ศีลสมาธิปัญญาไปเลยอย่างนี้ระโยมก้าวหน้าแน่ แล้วมักนะโยมจะก้าวไปแล้วอาสาระ บ, บูชาก็จะมีความหมายเพราะนั้นโยมอย่าไปติดอยู่แค่อย่างเดียวขันตนต น, ตนถ้าทานแล้วต้องก้าวไปให้ได้ศีลให้ได้ภาวนาด้วยโดยเฉพาะจิตใจของเราเนี่ยมันได้ตลอดเวลาเลยถ้าโยมทำบุญเป็นนะทำบุญเป็นเนี่ยจิตใจมันได้ก่อนและได้ตลอดเวลาเวลาทำบุญทำกุศลถ้าจึงเน้น อ, อย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ย มีภาษาวิกาอย่างนางมาริกาเนี่ยเกิดเหตุร้ายในวันที่กําลังทําบุญเนี่ยถ้ารักษาใจไม่ให้ใจเสียบอกว่าทําบุญต้องใช้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวฐานที่แท้แกนของบุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจจิตใจของเราดีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาของเราดีจิตใจผ่องใสเบิกบานก็ดีตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นบุญก็จะอยู่ประจําจิตใจของเราแล้วเวลาเราทําไปแล้ว ที่เราทําทานและเราบำเพ็ญศีลอะไรเนี่ยมันจะมาเพิ่มกําลังให้จิตใจของเราเนี่ยมีความปรับปริ้นไปติยินดีขึ้นไปมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ทําภายนอกที่เป็นรูปธรรมเป็นทานเป็นศีลนะ่ะทำเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปเป็นเหตุการณ์แต่สิ่งที่ประทับเข้าไปก็คือไปอยู่ในจิตใจนั้นส่วนที่จะพัฒนาอยู่ประจํายั่งยืนก็คือส่วนจิตใจนั่นเอง แล้จิตใจนี่ก็จะไปเป็นแกนไปเป็นฐานให้เราสามารถไปไประเพ็ญฐานมาเป็นศีลต่อไปอีกนั้นใจนั้นมันเป็นแกนกลางเป็นฐานอยู่ตลอดเวลาและฐานศีลก็มาใส่ใจนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าโยมทําบุญและใจมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันไม่พัฒนาเพราะนั้นต้องให้บุญมาเพิ่มภูนพัฒนาไปด้วยและโยมก็จะก้าวไปในมรรคเองแหละแล้ววันนี้ก็เลยทําบุญได้ทั้ง วันเข้าภาษาถาวายเทียนบรรษ า, าภาพน้ําฝนก็ได้เข้ามักไปด้วยเลยได้เข้าอาสารบูชาภาษาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นบุญของเราเนี่ยเราไม่ได้จํากัดอยู่แล้วถ้าเราไปคิดว่าได้บุญได้บุญเนี่ยบางทีมันไปนึกถึงแต่ตัวเองคนที่ทําบุญที่จะพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยท่านไม่ติดอยู่แค่ตัวเองแล้วพอเราทําบุญในีคนขั้นต้นเท่านั้นที่นึกถึงตัวเองมาก จะเป็นนึกในแง่ฉันทำบุญมากฉันจะได้ไปสวรรค์ฉันจะได้เงินทองมากฉันได้เกิดเป็นเศรษฐีจะได้ถูกรัตตอรีก็คิดแต่เรื่องตัวเองแต่ท่านที่ทำบุญก้าวไปในมรรคเนี่ยใจท่านขยายกว้างไปเรื่อยๆไม่ติดอยู่เรื่องตัวเองแล้วนั้นพอไปขั้นสูงนี่ผู้ที่ทำบุญในขั้นที่มีจิตใจยิ่งใหญ่เนี่ยท่านมีคาใช้ท่านมีคาคเช่นอย่างในคมภีบอกว่า ผันบุญของตนไปเพื่อช่วยให้ชาวโลกทั้งมวลได้รู้ถึงความสุขทั่วกันนี่สิโยมเนี่ยตอนนี้แหละบุญสำคัญแล้วถ้าคนทำบุญได้ถึงขั้นนี้นี่คือก้าวไปในมรรคแท้จริงแล้วคือตอนแรกเราต้องยอมรับความจริงคนทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกนึกถึงตัวก่อนเราทำบุญเราก็นึกถึงว่าฉันจะได้ผลนั่นผลนี้แต่ท่านบอกเรียกว่าโอปธิกบบุญบุญที่ยังมีกิเลส ทีนี้พอเราพัฒนาตัวเราขึ้นไปจเจริญก้าวไปในบุญมากขึ้นจเจริญไปในมรรคขึ้นใจของเราก็สละละ ล, ะลดความโลภลงไปความปรารถนาเพื่อตนเองก็ลดน้อยลง ใ, ใจเราก็กว้างขึ้นไปเหมือนอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่นึกถึงแต่ตัวเองเราก็นึกถึงลูกอยากให้ลูกมีความสุขถ้าเป็นพระธรรมงานทําการก็ท่านก็ทําบุญเหมือนกันแต่ว่าพระนี่จะไปนึกถึงว่า ทำบุญเพื่อตัวจะได้ไปเกิดสวรรค์อะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตัดเธอผิดทันทีเลยไปศีลพระตัปารามาตไม่ได้เลยพระนะท้าห่าว่าเออเราทําบุญเนี่ยเราได้รักษาศีละอะไรต่ไรเราจะได้ไปเกิดในสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าตัดว่าปฏิบัติผิดทางแล้วพระก็ต้องปฏิบัติไปเพื่อกําจัดกิเลสลดละโลภโทสะโมหะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนใช่มก็พระอุจนะหิตายพระอุจนะสุทายะ โลกาอนุกรรมปายะบำเพ็ญกิจทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขแก่หูชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกโยมก็เหมือนกันแหละการพัฒนาไปในมรด้วยการทำบุญก็คือการก้าวไปในบุญให้บุญพาก้าวไปในมรด์นั่นเองและโยมก็จะพัฒนาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าเอาเรื่องของการเข้ารรษา มาโยงเข้าก็อาสาละบุญช า, าก็จะช่วยให้โยมใก้าวหน้าในบุญไม่ติดอยู่กับบุญขั้นต้นเท่านั้นก็นี่ก็ได้ประโยชน์สองชั้นเลยนี่ก็ให้ได้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยมีคำที่น่าจะเอาไว้สกิดใจที่บอกว่าท่านผู้ที่มีจิตใจใหญ่กว้างแล้วเนี่ยทำบุญที่แท้จริงขยายบุญมหาศาลออกไปเนี่ย ท่านผันบุญของตนไปเพื่อช่วยให้ชาวโลกทั้งปวงลุถึงความสุขทั่วกันถ้าโยมใจใหญ่กว้างขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะนึกขยายออกไปถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วใจเราแทนที่จะทุกข์เรากลับมีความสุขมากขึ้นคนแต่ก่อนนี้ท่านนึกถึงตัวเองคนเดียวมันก็ได้สุขแคบแคบแค่ตัว นี่ต่อไปเรานึกถึงสุขของคนโน้นคนนี้มากคนขึ้นพอเห็นคนอื่นเป็นสุขเราก็สุขมากขึ้นเพราะว่าจํานวนปริมาณคนที่จะสุขมันมากขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามก็คืออย่างน้อยกิเลสมันลดลงความเห็นแก่ตัวโลภะโทสะโมหะมันลดลงไปเองแหละเป็นการพัฒนาตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นบุญมันก็พัฒนาแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าอักขางบุญยังประวัติติบุญอันเลิศย่อมเจริญเพิ่มพูน อาตมาคิดว่าวันนี้ก็พูดไม่ให้ยาวนักที่จริงก็ถูกเตือนอยู่เลยบอกอย่าพูดให้มากเอาละเป็นอันว่าวันนี้ก็มาประสานเรื่องโยมทำบุญให้ไม่ใช่แค่ได้บุญแต่ให้บุญนั้นเจริญเพิ่มพูนด้วยแล้วให้บุญนั้นเป็นการที่เราพัฒนาชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าไปในมรรคแล้ววันสำคัญทั้งสองวันนี้ก็จะมาประสานเป็นอันเดียวกัน คือวันเข้าพรรษากับวันอาสารบูชาวันเข้าพรรษาเราทําบุญคือการถวายเทียนพรรษาและภาพน้ําฝนเป็นต้นก็เป็นเครื่องช่วยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราเจริญก้าวหน้าไปในมัชชิมาปฏิปทาหรือมัคมีองค์8ประการอันปเปื้อที่สรุปลงในศีลสมาธิปัญญาทําให้เราก้าวไปใน ความหมายของวันอาสาและบูชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านแล้วก็เมื่อโยมทําได้ถูกทางเพียงวางจิตถูกโยมก็ก้าวไปได้เลยเพราะว่าโยมทําอยู่แล้วขนาดนี้โยมทุกท่านเนี่ยทำบุญเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทําแล้วมีความเข้าใจแล้ววางจิตเดินจิตให้ถูกเท่านั้นเองก็โยมก็ได้เลยทันทีเนี่ยเพราะว่าโยมพร้อมอยู่แล้ว สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นปัจจัยกื้อหนุนอยู่ในใจแล้วก็ได้ทำพร้อมแล้วพอวางจิตเดินจิตถูกก็โยมก็ก้าวไปในบุญได้เข้าสู่มรรคทันทีเลยนั้นก็ขออนุโมทนายครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตตั้งใจอวยัยให้พรขออรัธนาคุณพระธนัตไตรเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลาย รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสษาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนไตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญแล้วด้วยอำนาจคุณธรรมมีศรัทธาและเมตตาเป็นต้นจงเป็นปัจจัยพิบาตรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านทั้งตนเองครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงจเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสมมานสมพุทธเจ้า ทั่ว ก, กันทุกท่านทุกเมือ่อเทิน